สทุกข์กนิเทศแปดบรรดามาติกาเหล่านั้นโกตะเป็นฉะไหนความโกรธกริยาที่โกรธภาวะธิโกรธความคิดประทุษร้ายกริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะธิคิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกรยิยาที่คิดปองร้ายภาวะธิคิดปองร้ายความยินร้าย ความยินร้ายตอบความดุร้ายความเกลี้ยวกราดความที่จิตไม่เบิกบานนี้เรียกว่าโกธะอุปนหะเป็นไนความโกรธครั้งแรกชื่อว่าความโกรธความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผูกโกรธความผูกโกรธกริยาที่ผูกโกรธภาวะที่ผูกโกรธการไม่หยุดโกรธ การตั้งความโกรธไว้การดำรงความโกรธไว้การโผลงไปตามความโกรธการตามไปผูกความโกรธไว้การทําความผูกโกรธไว้ให้มัน่นมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอุปนาหะ892มัคคะเป็นไฉไหนความรบปลูกคุณท่านกริยาที่รบปลูกคุณท่าน ภาวะที่ลบปลูกคุณท่านความดูหมิน่นการทําความดูหมิน่นนี้เรียกว่ามักคับประลาสะเป็นไฉนความตีเสมอกริยาที่ตีเสมอภาวะที่ตีเสมอสภาวธรรมที่เป็นอาหารแห่งการตีเสมอโดยนําเอาความชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาท ความแข่งดีความไม่ยอมสลันี้เรียกว่าปราสักแปอยาสิบสาอิตาเป็นไฉไรความริศยากริยาที่ริศยาภาวะที่ริศยาความเกลียดชังกริยาที่เกลียดชังภาวะที่เกลียดชังในเมื่อคนอื่นได้ลาบสการะได้รับความเคารพ ความนับถือการกราบไหว้และการบูชานี้เรียกว่าอิจฉามัจฉริยะเป็นฉไนมัจฉริยะห้าคือ 1. อาวาสมัจฉริยะตรณีที่อยู่ 2. กุลมัจฉริยะตรณีตระกูล 3. ลาภมัจฉริยะตรณีลาภ 4. วั น, นมัจฉริยะ ตรณีวันณนะหรือคุณความดี 5. ธรรมะมัจฉริยะตรณีธรรมความตรณีกริยาที่ตรณีภาวะที่ตรณีความหวงแหนความเหนียวแน่นความปกปิดความมีจิตหวงแหนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามัจฉริยะแปดมายาเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาและใจแล้วตั้งความปรารถนารามกไว้เพราะมีความต้องการจะปกปิดทุจริตนั้นเป็นเหตุคือปรารถนาว่าขอใครจะได้รู้ทันเราดํริทว่าขอใครจะได้รู้ทันเราพูดว่าขอใคร่าได้รู้ทันเราขวนขวายด้วยกายว่าขอใครจะได้รู้ทันเรา ความเจ้าเล่ห์ความเป็นคนเจ้าเล่ห์กริยาที่หลอกให้หลงความลวงความโกงความกลบเกลื่อนความหลีกเลี่ยงความซ่อนความซ่อนบังความปกปิดความปิดบังการกระทำไม่ชัดเจนการไม่ทำให้แจ้งการปกปิดมิจชิดการกระทำที่ชั่วมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามายา สาเถยะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้โอ้อวดจัดความโอ้อวดกริยาที่โอ้อวดภาวะที่โอ้อวดความกระด้างการพูดเป็นเหลี่ยมคูภาวะที่กระด้างในบุคคลนั้นนี้เรียกว่าสาเถยอยะ895อวิชชาเป็นไนความไม่รู้ความไม่เห็นปลิมคืออวิชชา อากุรรมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชาเพราะว่าตัณหาเป็นฉไนความพอใจในพบความยินดีในพบความเพลิดเพลินในพบความปรารถนาพบความเยื่อใยในพบความเร่าร้อนเพราะพบความสยบในพบความหมกมุ่นในพบนี้เรียกว่าภวะตัณหา896 ภวทิฏฐิเป็นฉไนความเห็นว่าอัตตาและโลกจกมีดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปลาศมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าภวะทิฏฐิวิภวะทิฏฐิเป็นฉไนความเห็นว่าอัตตาและโลกจกไม่มีดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปลามีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าวิภาวาทิฏฐิแปดสิบเจ็ัตตตทิฐิเป็นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงดังนี้ทิฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปลา่ามีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสัตสตตทิฐิอุเฉตทิฏฐิเป็นไน ความเห็นว่าอัตตาและโลกขาดศูนย์ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปะลาศมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอุเฉตทิฏฐิ898อิ 98, อันตวาทิฏฐิเป็นไฉไนความเห็นว่าอัตตาและโลกมีที่สุดดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปะลาศมีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าอันตวาทิฏฐิอนันตวาทิฐิเป็นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกไม่มีที่สุดดังนี้ทิฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอนันตวาทิฏฐิแปดิบเปุปพันตานุทิฐิเป็นไนทิฐิธรรมชาติที่นับว่าทิฐิ ความยึดถือโดยวิปลาสปรารบส่วนอดีตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าปุพพันตานุทิฏฐิอปรันตานุทิฏฐิเป็นไนทิฏฐิธรรมชาติทินัปวทิฏฐิความยึดถือโดยวิปลาสปรารบส่วนอนาคตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอปรันตานุทิฏฐิเก้ร้อยไอริกะเป็นไน ความไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายความไม่ละอายต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอหิริกะอโนตปะเป็นเไหนความไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวความไม่เกรงกลัวต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่า อ น, นตตะปะ๙โทวจัตสตาเป็นไฉนความเป็นผู้ว่ายากกริยาที่เป็นผู้ว่ายากภาวะที่เป็นผู้ว่ายากความยึดถือข้างขัดขืนความพอใจทางโต้แยง้งความไม่เอือ้อเฟื้อกริยาที่ไม่เอือ้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่เชื่อฟังในในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบธรรม นี้เรียกว่าโทวจัตตาปาปมิตตาเป็นฉไหนบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาไม่มีศีลมีการศึกษาน้อยมีความตรนีมีปัญญาตามการเสพการเสพเป็นนิดการเสพด้วยดีการครบการครบด้วยดีความพักดีความจงรักพักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้ร่วมพวกกับบุคคลเหล่านั้น นี้เรียกว่าปาปมิตตาตาเก้อนณัตชวะเป็นฉไนความไม่ซื่อตรงภาวะที่ไม่ซื่อตรงความคดความงอความโกงนี้เรียกว่าอนัตชวะอมัตถวะเป็นฉไนความไม่อ่อนโยนภาวะที่ไม่อ่อนความกระด้างความหยาบคายภาวะที่กระด้าง ความแข็งกระด้างความมีจิตแข็งกระด้างความไม่อ่อนโยนนี้เรียกว่าอมัถวะ 903. อขันติเป็นไนความไม่อดทนภาวะที่ไม่อดทนความไม่อดกลั้นความดุร้ายความเกลี้ยกราดความที่จิตไม่เบิกบานนี้เรียกว่าอาขันติอโศรจจะเป็นไน ความร่วงละเมิดทางกายความร่วงละเมิดทางวาจาความร่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความไม่สงี่ยมความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดเรียกว่าอาสวรรจจ์เก้อสาษาคารยะเป็นฉนิดวาจาใดาเป็นปมหยาบคายเผ็ดร้อนต่อผู้อื่นกระทบกระทั่งผู้อื่น ใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิบุคคลเป็นผู้พูดวาจาเช่นนั้นความเป็นผู้มีวาจาไม่อ่อนหวานความเป็นผู้มีวาจาไม่ละมุนละไมความเป็นผู้มีวาจาหยาบในลักษณะดังกล่าวนี้นั้นนี้เรียกว่าอัสาขายะอัปติสันฐานเป็นไน ปฏิสันฐานสองคืออามิสสปฏิสันฐานและธรรมะปฏิสันฐานบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ทาการปฏิสันฐานด้วยอามิส์ปฏิสันฐานหรือด้วยธรรมะปฏิสันฐานนี้เรียกว่าอับปฏิสันฐาน9ก้้ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นฉไน บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยจักรสุแล้วรวบถือแยกถือซึ่งเมื่อไม่สัมรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัตครอบงำได้ไม่ปฏิบัติเพื่อสัมรวมในจักขุนศีไม่รักษาจักขุนศีไม่ถึงความสัมรวมในจักขุนศีฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูก ลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธพะพด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วรวบถือแยกถือซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุตรธรรมคืออภิชาและโทมนัตครอบงำได้ไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินสีนั้นไม่รักษามนินรีไม่ถึงความสำรวมในมนินสี ความไม่คุ้มครองกริยาที่ไม่คุ้มครองความไม่รักษาความไม่สํารวมในอินทรีหกเหล่านี้นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พิจารณาโดยแยกคายย่อมบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมา เพื่อผิวพรรณสวยงามเพื่อความอ้วนพีความไม่สันโดษความไม่รู้จักประมาณความไม่พิจารณาในโภชนะนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค906มุตตสัจจะเป็นไนความระลึกไม่ได้ความหวนระลึกไม่ได้ความระลึกย้อนหลังไม่ได้ ความระลึกไม่ได้ภาวะที่ระลึกไม่ได้ภาวะที่ทรงจำไม่ได้ความเลื่อนลอยความหลงลืมสตินี้เรียกว่ามุตตสัจจะอสัมปชัญญะเป็นไฉนะความไม่รู้ความไม่เห็นลิมคืออวิชชาอากุศนมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอสัมปชัญญะ๙๐๗สีลวิบัต เป็นไนความร่วงละเมิดทางกายความร่วงละเมิดทางวาจาความร่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าศีลวิบัติความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดชื่อว่าศีลวิบัติทิฏฐิวิบัติเป็นฉไนความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผล สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทําให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ไม่มีในโรคดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปะลามีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐิบิติมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดเรียกว่าทิฏฐิบิดา๙๐8 อัจฉรสัญญโชนะเป็นฉไนสังโยชน์เบื้องต่ำห้ชื่อว่าอัจฉรสัญญโชนะพหิทธสัญญโชนะเป็นฉไนสังโยชน์เบื้องสูง5ชื่อว่าพหิทธสัญญโชนะทุกการนิเทศจบ 3. ติกการนิเทศ9ก้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 ความใ yuan, คร pues, mm ่ความรักใคร่ความคล่องอยู่ความจมอยู่ความหมั่นไหวความหลอกลวงธรรมชาติที่ยังตัดให้เกิดธรรมชาติที่ยังตัดให้เกิดพร้อมธรรมชาติที่ยังร้อยรัดธรรมชาติที่มีกายธรรมชาติที่สร้างไปธรรมชาติที่สร้างไปในอารมณ์ต่างๆธรรมชาติที่เป็นกระแส ธรรมชาติที่แผ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติที่เป็นเพื่อนใจธรรมชาติที่ตั้งความปรารถนาธรรมชาติที่นําไปสู่พบตัณหาเหมือนป่าตัณหาเหมือนหมู่ไม้ที่ตั้งอยู่ในป่าความเฉยชิดความเยื่อใยความห่วงใยความผูกพันความหวังกิริยาที่หวังภาวะที่หวัง ความหวังรูปความหวังเสียงความหวังกลิ่นความหวังรสความหวังโภถภะความหวังลาความหวังทรัพย <t í S 2> ์ความหวังบุตรความหวังชีวิตธรรมชาติที่อยากได้ธรรมชาติที่อยากได้ทั่วธรรมชาติที่อยากได้ยิ่งกริยาที่อยากได้ภาวะที่อยากได้ความละโมบกริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบ ธรรมชาติที่เป็นเหตุตมทานไปความใคร่ในอารมณ์ที่ดีความกำหนัดในฐานะที่ไม่ควรความโลภเกินขนาดความติดใจกริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระยิ่มความปรารถนาจัดกามตัิหาภวะตันหาวิภวะตันหาตันหาในรูปประพบตันหาในอรูปภระพบตันหาในนิโรธ คือราคาที่เราคตด้วยอุดเฉตทิธิรูปตันห า, ส, ห า, นหาสัาทธตันหาคันธาตันหารสตันหาโพธพะตันหาธรรมตันหาโอคะโยคะคันทะอุปาทานอาวรนิวรเครื่องปิดบงังเครื่องผูกมัดอุปกิเลสอนุสัยปริยุทธฐานะตันหาเหมือนเถวัน ความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่างๆรากเง้าแห่งทุก์เหตุแห่งทุกขแดนเกิดแห่งทุกข์บ่วงแห่งมานเบ็ดแห่งมานแดนแห่งมานตันหาเหมือนแม่น้ําตันหาเหมือนข่ายตันหาเหมือนเชือกผูกตันหาเหมือนสมุทรอภิ ช, ชาอากุศลโมลคือโลภะนี้เรียกว่าโลภะโทสะเป็นไนะ ความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทําความเสื่อมเสียแก่เราผู้นี้กําลังทําความเสื่อมเสียแก่เราผู้นี้จะทําความเสื่อมเสียแก่เราความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทําความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กําลังทําความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบพอของเรา ผู้นี้จะทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบพอของเราความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำประโยชน์แก่คนไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบ พอของเราหรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะที่ไม่สมควรจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบความแขนความเคืองความพลุ้งพลานโทสะความคิดประทุตรร้ายความมุ่งคิดประทุตรร้ายความขุนจิตธรรมชาติที่ประทุตรร้ายใจความโกรธกริยาที่โกรธภาวะที่โกรธ ความคิดประทุตร้ายกริยาที่คิดประทุตร้ายภาวะที่คิดประทุตร้ายความคิดปองร้ายกริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิรธุธความแค้นความดุร้ายความเกลียดกลาดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโทสะ โมหะเป็นไฉไรความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขานิรุโธความไม่รู้ในทุกขานิโรธคาไินีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคตความไม่รู้ในสภาวธรรมที่เป็นปัจจัยของกันและกันและอิงอาศัยกันเกิดขึ้น ความไม่รู้ความไม่เห็นริมของอวิชชาอากุศลมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโมหะเหล่านี้ชื่อว่าอากุศลมูลสามก้าร้อยสิบอกุศลวิตกสามเป็นฉไนอกุศลวิตกสคือหนึ่งกามาวิตตกความตรึกเกี่ยวกับด้วยกาม 2พยาปาทวิตกความตรึกเกี่ยวด้วยความพยาบาทสาวิหิงสาวิตกความตรึกเกี่ยวด้วยความเบียดเบียนบรรดาวิตกสามนั้นกามวิตกเป็นไฉนรความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวด้วยกามนี้เรียกว่ากามวิตกพยาปาทวิตกเป็นไฉน ความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความด âm ริผิดที่เกี่ยวด้วยความพยาบาทนี้เรียกว่าพยาปทาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นไฉไหนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความด âm ริผิดที่เกี่ยวด้วยความเบียดเบียนนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกเหล่านี้ชื่อว่าอกุตลวิตก3 911 อกุศลสัญญาสามเป็นไนอกุศลสัญญาสามคือหนึ่งกามสัญญาสองพยาปาทสัญญาสาวิหิงสาสัญญาบรรดาสัญญาสามนั้นกามสัญญาเป็นไนความจําได้กิริยาที่จําได้ภาวะที่จําได้ที่เกี่ยวด้วยกามนี้เรียกว่ากามสัญญาพยาปาทสัญญาเป็นไน ความจำได้กริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ที่เกี่ยวกับความพยาบาทนี้เรียกว่าพยาปาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเป็นไฉความจำได้กริยาที่จำได้ภาวะที่จาได้ที่เกี่ยวด้วยความเบียดเบียนนี้เรียกว่าวิหิงสาสัญญาเหล่านี้ชื่อว่าอากุศละสัญญาส912 อกุศระธาตุสเป็นไนอกุศระธาตุสมคือหนึ่งกามธาธาตุสองพยาปาทาธาตุสมวิหิงสาธาตุบรรดาอากุศระธาตุสามนั้นกามาธาตุเป็นไนากามวิตกชื่อว่ากามาธาตุพยา ป, ปาทวิตกชื่อว่าพยาปาทาธาตุวิหิงสาวิตกชื่อว่าวิหิงสาธาตุบรรดาวิตกสามนั้นกามวิตกเป็นไน ความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวด้วยกามนี้เรียกว่าความมวิตกพยาปาทวิตกเป็นไฉหนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวด้วยความพยาบาทนี้เรียกว่าพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นไฉหนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิด ที่เกี่ยวด้วยความเบียดเบียนนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกเหล่านี้ชื่อว่าอากุศสระธาตามเก้สิบสทุจริตสเป็นไนทุจริตสคือหนึ่งกายทุจริตสองว จ, จีทุจริตสามโนทุจริตบรรดาทุจริตสานั้นกายทุจริตเป็นไนปาณาติบาตอธินาทานและกาเมสุมิชฌาจาร นี้เรียกว่ากายทุจริตวจีทุจริตเป็นไนพะุสาวะปิตุนาวาจาพระรุษวาจาสัมผับปราปะนี้เรียกว่าวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นไนะอวิชชาพยาบาทมิชาติตินี้เรียกว่ามโนทิติกายทุจริตเป็นไนะกายกรรมที่เป็นอกุศลชื่อว่ากายทุจริต วจีกรรมที่เป็นอกุศลชื่อว่าวจีทุจริตมโนกรรมที่เป็นอกุศลชื่อว่ามโนทุจริตปณาทุจริตสามนั้นกายกรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉไนกายสัญเจตนาที่เป็นอกุศลชื่อว่ากายกรรมที่เป็นอกุศลวจีสัญเจตนาที่เป็นอกุศลชื่อว่าวจีกรรมที่เป็นอกุศลมโนสัญเจตนาที่เป็นอกุศลชื่อว่ามโนกรรมที่เป็นอกุศล เหล่านี้ชื่อวัตถุจริต3 914อาสวะสามเป็นฉไนอาสวะสามก็คือหนึ่งกามาสวะหมายถึงอาสวะคือกาม 2. องพวาสวะอาสวะคือพบสอวิชชาสวะอาสวะคือวิชชาบรรดาอาสวะสามนั้นกามาสวะเป็นฉไนความพอใจในกามความกำหนัดในกาม ความเพลิดเพลินในกามความอยากในกามความเยื่อใ ย, ยในกามความเร่าร้อนเพราะกามความสยบในกามความหมกมุ่นอยู่ในกามนี้เรียกว่ากามาสวะภาวาสวะเป็นไนความพอใจในภพความหมกมุ่นในภพในภพทั้งหลายนี้เรียก ว, ว, ว่าภาวาสวะอวิชชาสวะเป็นไนะ ความไม่รู้ในทุกข์ริมคือวิชาอากุตตะลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชาสวะเหล่านี้ชื่อว่าอาตวัสาม 915. สังโยชน์สามเป็นชนหะนสังโยชน์สามคือหนึ่งส ก, กายทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจฉาความสงสัยรังเลไม่แน่ใจส ศีลับพระตปรามาสความถือมั่นศีลพรสบรรดาสังโยชนสามนั้นสักกายทิฏฐิเป็นฉนัยปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะมาได้รับการแนะนําในธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบรุษ ไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปย่อมพิจารณาเห็นเวทนาเป็นตนเห็นสัญญาเป็นตนเห็นสังขารเป็นตนเห็นวิญญาณเป็นตนหรือพิจารณาเห็นตนมีวิญญาณเป็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิด ความยึดถือโดยวิปปราชมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสกายทิฐิวิจิกิจฉาเป็นไฉปุตุชนเครือบแคลงสงสัยในพระศาสดายอมเครือบแคลงสงสัยในพระธรรมยอมเครือบแคลงสงสัยในพระสงฆ์ยอมเครือบแคลงสงสัยในศิกขายอมเครือบแคลงสงสัยในส่วนอดีต ย่อมเครือบแคล ง, งสงสัยในส่วนอนาคตย่อมเครือบแคล ง, งสงสัยในส่วนอดีตและส่วนอนาคตย่อมเครือบแคล ง, งสงสัยในสภาวธรรมที่เป็นปัจจัยของกันและกันและอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นความเค ร, รือบแคลงกิริยาที่เครือบแคลงภาวะที่เครือบแคลงความกระด้างแห่งจิต ความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉาศีลพัตปรามาตเป็นฉไนสมณพราหมณ์ภายนอกแต่ตาธานานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลด้วยพรด้วยศีลและพร ด, ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีลพัตตปรามา เหล่านี้ชื่อว่าสังโยชน์สามเตัณหาสมเป็นฉไนตัณหา3คือ 1. นึกามตัณหาความทยานอยากในกาม 2. ภวะตัณหาความทยานอยากในภพสาวิภวะตัณหาความทยานอยากในวิภพบรรดาตัณหา3นั้นภวะตัณหาเป็นฉไนความกำหนัดความกำหนัดนักความ กำหนัดนักแข่งจิตที่สารคตด้วยทิฏฐินี้เรียกว่าภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่สารคตด้วยอุเฉททิฏฐินี้เรียกว่าวิภวะตัณหาตัณหาที่เหลือชื่อว่ากามตัณหาบรรดาตัณหาสามนั้นกามตัณหาเป็นไน ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวกับรูปธาตุและอรูปธาตุนี้เรียกว่าภวะตัณหาความกำหนัดความกำนหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่สารคตด้วยอุจเฉทิทิฏนี้เรียกว่าวิภวะตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าตัณหาส917ตัณหาสอีกในหนึ่งเป็นฉไนะตัณหาสมคือหนึ่งกามตัณหา สรูปปัญหาสามอรูปปัญหาบรรดาตัญหา3 า, า, า, า, ามนั้นกามตัญหาเป็นฉันความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยกามาธาตุนี้เรียกว่ากามตัญหารูปปัญหาเป็นฉันความกำหนัดความกำหนัด <sans> นักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยรูปธาตุนี้เรียกว่ารูปตัญหา อรูปปัตหาเป็นฉไนะความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยอรูปประธาตินี้เรียกว่าอารูปปัตหาเหล่านี้ชื่อว่าตันหา3 9ม9ตันหาสอีกในหนึ่งเป็นฉไนะตันหาสคือรูปปัตหาสองอรูปรตัตหาสามนิโรธปัญหา ป AN AN, ัาตันหาสามนั้นรูปตัญหาเป็นไน <rene> ความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วย linguistic? รูปประทัดนี้เรียกว่ารูปตัญห ah. าอรูปตัญหาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยอรูปประทัดนี้เรียกว่าอรูปตัญหานิโรธตันหาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแข่งจิต ที่จะรครด้วยอุเฉติทิฏฐินี้เรียกว่านิโรธา ต, ตันหาเรานี้ชื่อว่าตันหาสามเก้าร้อยสิบเก้าเอสนาสามเป็นฉไนเอสนาสามคือหนึ่งกามเมสนาสองพเวสนาสามพรม จ, จริเยสนา บันเอตนาสามนั้นกามเมตนาเป็นไฉนะความพอใจในกามความหมกมุ่นในกามนี้เรียกว่ากามเมสนาพระเวตนาเป็นไฉนะความพอใจในภพความหมกมุ่นในภพนี้เรียกว่าพระเวตนาพระมะจริเยตนาเป็นไฉนะความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าพรห ม, มจริเยสนาบรรดาเอสนาสามนั้นกามเมสนาเป็นฉไนความกำหนัดในกามกายกรรมัจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับความกำหนัดในกามนั้นนี้เรียกว่ากามเมสนา พระเวทนาเป็นไนะความกำนัดในภพกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับความกำนัดในภพนั้นนี้เรียกว่าพระเวสนาพระม จ, จริเยสนาเป็นไนะความเห็นที่ถือว่าโลกมีที่สุดกายกรรมวจีกรรมเป็นมนโนกรรมที่เป็นอกุศล ซึ่งตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับความเห็นที่ถือว่าโรคมีที่สุดนั้นเรียกว่าปร ม, มัจจดิเยสนาเหล่านี้ชื่อว่าเอสนาสามเ้าร้อยีวิทาสามเป็นไนะวิทาสามคือความถือตัวว่าหนึ่งเป็นผู้เลิศกว่าเขาสองเป็นผู้เสมอเขาสามเป็นผู้ได้กว่าเขา 2. เหล่น า, น า, า, านี้เรียกว่าวิทาสาม 921าสเไพ่สเป็นชไหนไพ่สคือ 1. ชาติภยัภยไพ่เกิดเพราะอาศัยชาติ 2. ชาราภายัภายไพ่เกิดเพราะอาศัยชารา 3. มรณะภยัภยไพ่เกิดเพราะอาศัยความตายบรรดาไพ่สนั้นชาติภัยเป็นชไหน ความกลัวความขาดความหวัดเถียวความขนผยองพองกล้าความสะดุ้งแห่งจิตเพราะอาศัยความเกิดนี้เรียกว่าชาติติภัยชราภัยเป็นไฉไความกลัวความขยาดความหวัดเถียวความขนพองสยองกล้าความสะดุ้งแห่งจิตเพราะอาศัยชรานี้เรียกว่าชราภัย มรณภัยเป็นฉนะัยความกลัวความขยาดความหวัดเสียวความขนพองสยองกล้าวความสะดุ้งแห่งจิตความมาใสความตายนี้เรียกว่ามรณภัยเหล่านี้ชื่อว่าภัยส922ตาสมะ3เป็นฉนะัยธรรมส3คือหนึ่งบุคคลเครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารบอดีตการ สเครือบแค็งสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารบอนาคตการ 3. เครือบแฝ ง, งสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารบปัจจุบันาการเหล่านี้ชื่อว่าตามะ3 923้ิบสาติดทายตนะสาเป็นฉนัยติดฐายตนะสามคือ1 1. สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าคนเร่านี้เสวยสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งการเสวยสุขทุกหรือไม่สุขไม่ทุกทั้งหมดนั้นเพราะเคยการทำเหตุมาก่อน 2. สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่า คนเรานี้เสวยสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งการเสวยสุขทุกหรือไม่ทุกไม่สุขทั้งหมด น, นี้นั้นเพราะเหตุคือผู้เป็นใหญ่สร้างให้ 3. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาตาอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าคนเราที่เสวยสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกขไม่สุขบ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งการถเวิสุขทุกหรือไม่ทุกไม่สุขทั้งหมดนั้นเพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเหล่านี้ชื่อว่าติดทายตนะสามเกนะิกินจนะสามเป็นฉไนกินจนะสามคือหนึ่งกินจนะคือราคะสองกินจนะคือโทสะสกินจนะคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่ากินจนะสามอังคณะสามเป็นฉไนะ อังคณะสมคือ1อังคณะคือราคะกิเลสเพียงดังเนินคือราคะ 2. อังคณะคือโทอสะกิเลสเพียงดังเนินคือโทอสะสอังคณะคือโมหะกิเลสเพียงดังเนินคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่าอังคะาสมละสามเป็นฉนัยมละสามคือหนึ่งมละคือราคะมนฑินคือราคะ 2. มละ คือโทสะมนทินคือโทสะสามมาะคือโมหะมนทินคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่ามาระ3วิจมัตสามเป็นฉไหนวิจมัตสามคือหนึ่งวิจมัหรือราคะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือราคะ 2. วิจมัคือโทสะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือโทสะส วิสมะคือโมหะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่าวิสมะสามวิสมะสามอีกในหนึ่งเป็นไฉนะวิสมะสามคือหนึ่งวิสมะทางกายสองวิสมะทางวาจาสาวิสมะทางใจเหล่านี้ชื่อว่าวิสมะสามอักขี่สามเป็นไฉนะ อคิ3คือ1อคิคือราคะไฟคือราคะ2อคิคือโทสะไฟคือโทสะ3อคิคือโมหะไฟคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่าอคิสกษาวะสามเป็นไนกษาวะสามคือ 1. กสาวะคือราคะกิเลสเพียงดังน้ําผาดคือราคะ สกษาวะคือโทสะกิเลสเพียงดังน้ำฝาดคือโทสะ 3. กษาวะคือโมหะกิเลสเพียงน้ำฝาดคือโมหะเหล่านี้ชื่อว hey, ่ากสาตะวะสามกษัวะสามอีกในหนึ่งเป็นฉไนกษาวะสามคือ 1. กษาวะทางกาย2กษาวะทางวาจาสกษาวะทางใจเหล่านี้ชื่อว่ากษาวะสาม 925. อัตาธาทิฐิเป็นไนสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทาอย่างนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายไม่มีโทษ ด, ดังนี้จึงบริโภคกามนี้เรียกว่าอัตาธาทิฐิอัตต า, านุทิฐิเป็นไน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 ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนวิญญาณเป็นตนหรือย่อมพิจารณาเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปะลามีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอัตตานุทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลสมณะหรือพรามผู้รู้ยิ่งเห็นจริงประจักษ์แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ไม่มีในโลกนี้ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาชมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ สัตตทิฏฐิชื่อว่าอาสาททิฏฐิสกายทิฏฐิชื่อว่าอัตานุทิฏฐิอุเฉททิฏฐิชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิ926อรติเป็นฉไนะความไม่ยินดีกริยาที่ไม่ยินดีความไม่ยินดียิ่งกริยาที่ไม่ยินดียิ่งความกระสันความดิ้นรนในเสนาสนะ ท, นที่สงัด หรือในสภาวัธรรมทั้งหลายที่เป็นอทิกกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าอารติวิเหสาเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสัตราด้วยเชือกอย่างใดอย่างหนึ่งความบีบคั้นความรบกวนความเบียดเบียนความเบียดเบียนหนักขึ้นการทําให้เดือด ร้อนการทาให้เดือดร้อนอย่างหนักการทำร้ายสัตว์อื่นมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิเหสาอธรรมจริยาเป็นฉนิดความประพฤติไม่เป็นธรรมทางกายความประพฤติไม่สม่าเสมอทางกายความประพฤติไม่เป็นธรรมทางวาจาความประพฤติไม่สม่าเสมอทางวาจา ความประพฤติไม่เป็นธรรมทางใจความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางใจนี้เรียกว่าอธรรมมัจริยา927โทวัจสตาเป็นฉไนความเป็นผู้ว่ายากกริยาที่เป็นผู้ว่ายากภาวะที่เป็นผู้ว่ายากความยึดถือข้างขัดขืนความพอใจในการโต้แยง้งกริยาที่ไม่ เอือเฟื้อความไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่เชื่อฟังในเมื่อถูกวากล่าวโดยชอบธรรมนี้เรียกว่าโทวจัตตาปาปมิตตาเป็นไนบุคคลเหล่าใดไม่มีศัทาไม่มีศีลเป็นผู้มีสุตะน้อยมีความตรณีมีปัญญาสามการเสพการเสพเป็นนิส การเสพด้วยดีการคบกันคบด้วยดีความพักดีความจงรักพักดีความเป็นผู้โน้มไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าปาปมิตตาตานานัตตสัญญาเป็นชนหนสัญญาที่เกี่ยวด้วยกามสัญญาที่เกี่ยวด้วยความพยาบาทสัญญาที่เกี่ยวด้วยความเบียดเบียนนี้เรียกว่านานัตตสัญญาสัญญาที่เป็นอกุศลแม้ทั้งหมด ชื่อว่านานัตสัญญา928อุทธจจะเป็นไฉไความฟุง้งซ่านความไม่สงบความซัดสายความพล่านไปแห่งจิตนี้เรียกว่าอุทธจจะโกสัชะเป็นไฉไรความปล่อยจิตการเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริตเวจีทุจริตมโนทุจริตหรือในกามคุณห้า การทำโดยไม่เคารพการทำโดยไม่ติดต่อการทำที่ไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งธุระความไม่เจ็บความไม่ทำให้เจริญความไม่ทำให้มากความไม่ตั้งใจมัน่นความไม่มั่นประกอบความประมาทในการเจริญสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล น, นี้เรียกว่าโกสัชะ ประมาท่าเป็นฉนหนความปล่อยจิตการเพิ่มพูนความปล่อยจิตภาในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุตจริตหรือในกามกุลหการทำโดยไม่เคารพการทำโดยไม่ติดต่อการทำที่ไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งทุระความไม่เสพความไม่ทำให้เจริญความไม่ทำให้มาก ความไม่ตั้งใจมั่นความไม่มั่นประกอบความประมาทในการจเจริญภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลความประมาทกริยาที่ประมาทภาวะที่ประมาทมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าประมาทะ929อสัญตุทิตาเป็นฉไนะความอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของบุคคลผู้ไม่สันโดษ ด, ด้วยจีวร บินธบาตเสนาตนะและคิรานปัจจัยเภสัตบริขารตามมีตามได้หรือด้วยกามคุณห้าความอยากความปรารถนาความไม่สันโดษความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอสันตุทิตาอสัมปัช ญ, ญาตาเป็นชนหะน ความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคือวิชาอากุตรมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอสัมปัญญตาไม่หิ จ, จตาเป็นฉะไหนความอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของบุคคลผู้ไม่สันโดษ ด, ด้วยจีวรบินธบาทเสนาสนะและกีรนณปัจจัยเตสัตรบริขารตามีตาได้หรือด้วยกามกคุณห้าความอยาก ความปรารถนาความมากๆความกำนัดความกำนัดนักความกำนัดนักแข่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามหิจฉตา930อหิริกะเป็นฉไนความไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายความไม่ละอายต่อการประกอบบาปอากุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอาหิริกะ อนตุตตะปะเป็นฉไนความไม่เกรงกลัวการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวความไม่เกรงกลัวต่อการประกอบบาปอกุโสธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอนตุตตะปะปะมาทะเป็นฉไนความปล่อยจิตการเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต หรือในการมคุณหาการทำโดยไม่เคารพการทำโดยไม่ติดต่อการทำโดยไม่มั่นคงความประพฤติย่ อ, อย่อนความทอดทิ้งฉันทะความจอดทิ้งทุระความไม่เจ็บความไม่ทำให้เจริญความไม่ทำให้มากความไม่ตั้งใจมั่นความไม่มันประกอบความประมาทในการเจริญสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ความประมาทกิริยาที่ประมาทภาวะที่ประมาทมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าประมาทะอนาธิยะเป็นไนความไม่เอื้อเฟื้อกิริยาที่ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่เชื่อฟังความไม่เชื่อถือกิริยาที่ไม่เชื่อถือภาวะที่ไม่เชื่อถือความไม่มีศีลความไม่ยำเกรงนี้เรียกว่าอนา โทวจัจจสตาเป็นชไหนความที่เป็นผู้ว่ายากกริยาที่เป็นผู้ว่ายากภาวะที่เป็นผู้ว่ายากความถือถือรั้นความพอใจในการโต้แยง้งความไม่เอือ้อเฟื้อภาวะที่ไม่เอือ้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่เชื่อฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบธรรมนี้เรียกว่าโทวจัจจสตา ปาปมิตตาเป็นไฉนะบุคคลเหล่าใดไม่มีจัตตาไม่มีศีลเป็นผู้มีสุตะน้อยมีความตระนีมีปัญญาตามการเสพการเสพเป็นนิดการเสพด้วยดีการเสพเฉพาะการครบการครบด้วยดีความพักดีความจงรักพักดีความเป็นผู้โน้มไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าปาปมิตตา เก้อยสาัศทิยะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ความไม่เชื่อกริยาที่ไม่เชื่อกิริยาที่ไม่ปักใจเชื่อความไม่เลื่อมใส ย, ยิ่งมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอัศทิยะอวัธัญยุตาเป็นไฉ ความตรณีมีห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสมาจาริยะตรนีที่อยู่สองกุลมัจจารย์ตรนีตระกูล 3. ลาภมัจจารยะตรนีบราบสวันณมัจจารย์ตรนีวั น, นะะณนนะหธรรมมัจจารยะ ตระีธรรมความตระหนี่กิริยาที่ตระหนี่ภาวะที่ตระหนี่ความหวงแหนความถี่เหนียวความปกปิดภาวะที่จิตหวงแหนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอวัธัญยุตาโกสัจฉะเป็นไฉนะความปล่อยจิตการเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริตหรือในการมคุณหาการไม่ทําโดยเคารพการไม่ทําโดยติดต่อการทําโดยไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งทุระความไม่เสพความไม่ทําให้เจริญความไม่ทําให้มากความไม่ตั้งใจมั่นความไม่มั่นประกอบ ความประมาทในการเจริญสภาวธรรมที่เป็นกุศลนี้เรียกว่าโกสศชะ 933. อุทจจะเป็นไนความฟุ้งซ่านความไม่สงบแห่งจิตความสัดสายความพล่านไปแห่งจิตนี้เรียกว่าอุทจจะอสังวรเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนีซึ่งเมื่อไม่ปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอคุโสลธรรมคืออภิชาและโทมนตสครอบงำได้ไม่รักษาจักขุนีไม่ถึงความสำรวมในจักขุนีฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิมรสดิกลิ้น ถูกต้องโพาธาพด้วยกายรู้ธรรมารม์ด้วยใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมในมนินิรีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคือพิจชชาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษามนินิรีไม่ถึงความสํารวมในมนิรีนี้เรียกว่าอสังวร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 บรรดาบุคคลเหล่านั้นพระอริยเป็นไนพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าพระอริยะความไม่ต้องการจะพบความไม่ต้องการจะเห็นความไม่ต้องการจะเข้าใกล้ความไม่ต้องการจะสมาคมกับพระอริยเหล่านี้นี้เรียกว่าอริยนังอัทธสนะกรร ม, มยตา สัทธมังโอโสตุกรรมมยตาเป็นไ น, นบรรดาบทเหล่านั้นสัทธรรมเป็นไ น, นสติปัฏฐานสสมปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้พละหาโพชฌงเจ็อริยมัติมีองค์8นี้เรียกว่าสัทธธรรมความไม่ต้องการจะฟังความไม่ต้องการจะสดับ ความไม่ต้องการจะเรียนความไม่ต้องการจะทรงจำสัทธธรรมนี้นี้ เ, นเรียกว่าสัทธธรรมังอโศตุกรรมมยตาอุปารัมภจิตตาเป็นฉไนบรรดาบทเหล่านั้นอุปารัมภจิตตาเป็นฉไนความคิดแข็งดีความคิดแข็งดีหนึ่งเนืองกิริยาที่คิดแข่งดีกิริยาที่คิดแข็งดีหนึ่งเนือง ภาวะที่คิดแข่งดีนึ ง, นงความดูถูกความดูหมิน่นความดูแคลนความเป็นผู้คอยแสวงหาโทษนี้เรียกว่าอุปารำพจิตตตา935มุธธตตสัจจะเป็นฉนหนความระลึกไม่ได้ความหวนระลึกไม่ได้ความย้อนระลึกไม่ได้ความระลึกไม่ได้ภาวะที่ระลึกไม่ได้ ความทรงจําไม่ได้ความเลื่อนลอยความหลงลืมนี้เรียกว่ามุทัตัจจะอสัมปัญญะเป็นไนะความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอากุตรมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอสัมปัญญะเจตโสวิกเขเเพเป็นไนะความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิต ความสัดใสแห่งจิตความพล่านไปแห่งจิตนี้เรียกว่าเจตโสวิก so ขิปะ936อโยนิโสมณสิการเป็นฉนัยความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตน ความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่ไม่งามว่างามหรือความนึกความนึกหนึ่งเนืองความคำหนึ่งความพิจารณาความใคร่ครวญเองจิตโดยผิดจากความจริงนี้เรียกว่าอโยนิโสมณธิการกุมมคเสวนาเป็นไนบรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นกุมมะคเป็นไนมิจฉาทิฏิ มิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธินี้เร <St> ียกว่ากลุ่มมัคคะการเสพการเสพเป็นนิดการเสพด้วยดีการคบการคบด้วยดีความพักดีความจงรักพักดีความเป็นผู้โน้มน้าวไปตามทางผิด นี้ เ, นเรียกว่ากุมมักคเสวนาเจตโสลีน ต, ตเป็นฉนัยความที่จิตไม่คล่องแคล่วไม่ควรแก่การงานความท้อแท้ความ ท, ท้อถอยความย่อย่อนกริยาที่ย่อย่อนภาวะที่ย่อย่อนความซึมเศร้ากริยาที่ซึมเศร้าภาวะที่จิตซึมเศร้า นี้เรียกว่าเจตสโสลีนตตะติกานิเทศจบ